10กุสิตารัมภวัตถุสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเกียรติคร้านและเหตุปรารคความเพียร80ภิกษุทั้งหลายกุศิตวัตถุเหตุแห่งความเกียรติคราน8 ป, ประการนี้กุสิตวัตถุ8 ป, ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจากต้องทำงานเมื่อเราทำงานอยู่กายจากเมื่อยลา้าอย่ากระนั้นเลยเราจากนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้ง นี้เป็นกุศตวัตถุประการที่หนึ่งสองพิุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานกายเมื่อยล้าแล้วอยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ประรบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศตวัตถุประการที่สองสพิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางกายจากเมื่อยลา้าอยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ประรบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศตวัตถุประการที่สามสี่ภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางกายเมื่อยล้าแล้วอยากกระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี้เป็นกุศตวัตถุประการที่สี่หาภิกษุเที่ยวบินทบาทตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โพชนะเส้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมก็ไม่ได้โพชชนะเจ้ามองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเรานั้นเมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปราลบความเพียร น, นี้เป็นกุศตวัตถุประการที่ห้าหก ภิกษุเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โพชนะเส้าหมองหรือประนีดบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โพชนะเส้าหมองหรือประณีดบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้วกายของเรานั้นหนักไม่สมควรแก่การงานเหมือนถั่วราชมาศชุ่มด้วยน้ำ อยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ประรบความเพียร น, นี้เป็นกุศตวัตถุประการที่หก 7. ภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วมีข้ออ้างที่จะนอนได้อยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร น, นี้เป็นกุศตวัตถุประการที่เจ็ดแปดพิสุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานกายของเรานั้นยังอ่อนแอไม่ควรแกการงานอย่ากระนั้นเลย เราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปราลบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทาให้แจ้งนี้เป็นกุศตวัตถุประการที่แปดกิุทั้งหลายกุศตวัตถุ8ปประการนี้แล